จลาอลท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เจ็ดมกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างสระน้ ที่พึ่งทางใจเพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งเหมือนกับร่างกายถ้าใจขาดที่พึ่งใจก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้าใจมีที่พึ่งใจก็จะอยู่อย่างร่วมเย็นเป็นสุขมีความสุขความสบายใจที่พึ่งของใจ ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นสำหรับพวกเราเหมือนกับที่พึ่งทางร่างกายที่พึ่งทางร่างกายพวกเราก็ทราบดีว่ามีอยู่สี่ประการด้วยกันคืออาหารที่วัสดียารักษาโรคและเครื่องนุ่งหมที่พึ่งทางใจก็มีอยู่สี่ด้วยกันคือทาน ศีลสมาธิและปัญญาทานนี้ก็เปรียบเป็นเหมือนอาหารศีลก็เปรียบเป็นเหมือนเครื่องลุ่มงหลงสมาธิก็เปรียบเหมือนที่อยู่อาศัยปัญญาก็เปรียบเหมือนยารักษาโรคถ้ามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญา ใจก็จะมีที่พึ่งใจก็จะอยู่ได้อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่อุ่นวายไม่ทุกข์ไปกับเรื่องราวต่างๆฉันใดเหมือนกับร่างกายถ้าร่างกายมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ความสุขความสบายทางร่างกายนี้สู้ความสุข ความสบายทางจิตใจไม่ได้ความสุขทางจิตใจนี้มีกำลังมีอิทธิพลมากกว่าความสุขและความทุกข์ของร่างกายเช่นถ้าร่างกายมีความสุขมีปัจจัยสี่คตบท้วนบารานุแต่ถ้าใจขาดปัจจัยสี่ ใจมีความทุกข์ความสุขของใจก็จะไม่สามารถที่จะมาลบล้างความทุกข์ของใจได้เพราะความทุกข์ของใจมีกำลังมากกว่าความสุขของร่างกายในทางตรงกันข้ามถ้าใจมีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์ใจก็จะมีแต่ความสุข ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีความทุกข์เช่นทุกข์จากความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์จากความอดอยากขาดแคลนทุกข์จากความตายใจจะไม่ทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายและความสุขของใจก็จะลบล้างความทุกข์ของร่างกายไปจ น, น, นไม่มีกำลังที่จะมา สร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้เลยนี่คือพลานุภาพของของธรรมะคือของทางศีลสมาธิและปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามสะสมพยายามสร้า ง, รรางรรให้มีกำลังให้มากขึ้นเพราะมีกำลังมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นเราอย่าไปเสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองในการมาทำบุญเหมือนกับเราไม่เสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราใช้ไปกับปัจจัยสี่เราไม่เสียดายเวลาเราเอาเงินไปซื้ออาหารมารบประทานซื้อที่อยู่อาศัย ซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์เพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของร่างกายฉันใดเราก็ไม่ควรเสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราจะเอามาซื้อทานซื้อศีลซื้อสมาธิซื้อปัญญาเพราะว่าเราจะได้ปัจจัยสี่ของใจ เพื่อใจของเราจะได้มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ดังนั้นถ้าเรามีเงินทองเหลือจากการการใช้ใจ่ายกับปัจจัยสี่ของร่างกายเราก็ควรเอาเงินทองมาใช้ใจ่ายกับปัจจัยสี่ของจิตใจให้เอามาทำบุญให้ทานให้เอามารักษาสิ่งให้เอามานั่งสมาธิ และเจริญปัญญาเอาเงินให้เอาเงินเอาทองมาซื้อข้าวของให้แก่พระภิกษุสามเณรหรือกับบุคคลอื่นๆที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนก็จะเป็นการให้อาหารแก่ใจทำให้ใจมีความอิ่มมีความสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่อยากได้สิ่งต่างๆ ถ้าใจไม่ได้อาหารคือไม่ได้ทําบุญให้ทานใจจะรู้สึกหิวอยากอยู่เรื่อยๆอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้เงินทองมาเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีความอยากแล้วแทนที่จะมีความสุขก็กลับจะมีความทุกข์มีความกังวนกังวลกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกว่าจะได้สิ่งที่อยากได้มา แต่หลังจากที่ได้ามาแล้วก็ไม่มีความพออยากจะได้สิ่งอื่นสิ่งใหม่ต่อไปอีกการใช้เงินใช้ทองเพื่อไปซื้อสิ่งที่ใจอยากได้จึงไม่ได้เป็นการให้อาหารแก่ใจกลับเป็นการให้ยาพิษกับใจทำให้ใจต้องหิวต้องการเพิ่มมากขึ้นไปดังนั้นเราอย่าใช้เงินไปตามความอยาก กับในสิ่งที่ไม่จาเป็นถ้าใช้เงินกับสิ่งที่จาเป็นนี้ไม่เป็นไรเป็นประโยชน์เช่นใช้เงินไปกับอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่ว่าพราะเป็นสิ่งที่จาเป็นแต่ต้องรู้จักประมาณคือไม่ว่าเกินไปไม่น้อยเกินไปและไม่ควรอยู่เกินฐานะของเรา คนเราแต่ละคนมีฐานะต่างกันการมีปัจจัยสี่จึงมีมีต่างกันคนมีฐานะมีเงินมากก็จะมีปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงได้ส่วนคนที่มีฐานะไม่ดีเงินทองไม่มากก็จะมีปัจจัยสี่ที่ราคาไม่แพง แต่ไม่ว่าจะเป็นราคาแพงหรือไม่แพงก็ตามปัจจัยสี่เหล่านี้ก็สามารถที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายได้ถ้าเราทุ่มเทเงินทองให้กับการซื้อของแพงๆปัจจัยสี่แพงๆให้แก่ร่างกาย เราก็จะไม่ได้ความสุขมากไปกว่าการซื้อปัจจัยสี่ราคาธรรมดาไม่แพงเพราะว่าจะทำหน้าที่ได้เท่ากันร่างกายก็อยู่ได้เหมือนกันเช่นจะรับประทานอาหารมื้อละสองสามพันหรืออาหารมื่อละสองสามรมันก็อิ่มเหมือนกันร่างกายก็อยู่ได้เหมือนกันร่างกายก็มีความสุขได้เท่ากัน ดังนั้นเราจรึงไม่ควรที่จะเสียเงินเสียทองให้แก่ปัจจัยสี่ของร่างกายมากจนเกินไปเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรลงทุนไปแล้วไม่ได้กำไรลงทุนสองก็ได้กำไรเท่าเท่ากักับลงทุนสองพันแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปลงทุนสองพันสู้เก็บเงินอีกพันแนี้มาลงทุนกับ อาหารของใจดีกว่าเอามาทำบุญดีกว่าใจจะได้มีความสุขมากขึ้นนี่คือวิธีที่จะสร้างสาระที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจเราต้องรู้จักว่าต้องใช้มากน้อยเพียงไรสำหรับร่างกายร่างกายนี้อย่างที่บอกว่า ถ้าได้อาหารแล้วก็พอเพียงไม่ว่าจะเป็นอาหารราคาแพงแพงหรืออ า, อาหารราคาถูกถูกก็รักษาร่างกายให้อิ่มให้สุขให้สบายได้ส่วนใจนี้ต่างกันใจนี้ถ้ายิ่งทาบุญมากขึ้นเท่าไหร่ให้ทานมากขึ้นไปเท่าไหร่กับจะได้ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าทาบุญสองร้อย ก็จะได้ความสุขในระดับสอง้ถ้าทาบุญสองพันก็จะได้ความสุขในระดับสองพันถ้าทำมากก็จะได้มากการทำบุญทางจิตใจนี้การให้อาหารทางใจนี้ไม่มีขอบเขตให้ได้เต็มที่เลยคือให้หมดเลยอย่างนักบวชทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าทรงสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ให้แก่ผู้อื่นไปหมดเลยนี่จึงทำให้ใจของพระพุทธเจ้านี้อิ่มไม่หิวไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่อยากจะร่ำอยากจะรวยท่านอยากจะมีความสุขทางใจจึงทำให้ท่านสามารถปฏิบัติทำขั้นสูงคือสร้างสารนะหรือปัจจัยของใจชนิดที่สองได้ก็คือการ รักษาสีนผู้ที่จะรักษาสีนได้นี่ใจจะต้องไม่โลภไม่อยากได้ข้าวของเงินทองถ้าอยากได้แล้วจะรู้สึกว่ารักษาสีนยากเวลาจะทำอะไรทำมาค้าขายจะรู้สึกว่าไม่สะดวกถ้าไม่ได้พูดปดถ้ารักษาสีนแล้วจะจะรู้สึกว่า ถ้ารักษาศีลแล้วจะรู้สึกว่าทำอาหากินไม่คล่องไม่สะดวกเพราะใจยังโลภยังอยากได้เงินทองอยู่แต่คนที่ให้ทานจนหมดแล้วให้เงินทองไปหมดแล้วจะไม่คิดอยากจะได้เงินทองแต่อยากจะได้ศีลมากกว่าเพราะศีล น, นี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากว่าเงินทองนั่นเองศีล น, นี้ทําให้คนเป็นคนที่สวยงาม ไม่ใช่เสื้อผ้าอาร่รรทที่สวยงามทางร่างกายถึงแม้จะสวยงามทางร่างกายแต่ถ้าใจไม่สวยงามก็จะไม่มีใครชื่นชมยินดีคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรรที่สวยงามแต่ไม่มีศรรีลไม่มีสัตก็จะไม่เป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีน่าคารว บ, บูชา แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่ไม่มีเสื้อผ้าที่สวยงามไว้สวมใสแต่มีจิตใจที่สวยงามก็จะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมน่าคบค้าสมาคมด้วยมีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับคนที่ไม่มีศีลบ้างคนที่จะคอยลักทรัพย์คนที่จะคอยประพฤติผิดประเวณีคนที่จะคอยโกหกหลอกลวงคนที่จะฆ่า ทำลายชีวิตของผู้อื่นคนอย่างนี้ถึงแม้จะมีเสื้อผ้าที่สวยงามราคาแพงขนาดไหนก็ตามจะไม่มีคุณค่าจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมอยากเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นขอให้เราให้เห็นคุณค่าของศีลธรรมยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง และศีลและธรรมนี่แหละจะทำให้จิตใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว้าวุ่นขุ่นบัวไม่วิตกกังวลกับผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายเราไม่ได้ทาผิดนั่นเองคนที่ทำผิดแล้วนั้นจะมีจิตใจที่ว้าหุ่นขุ่นบัววิตกกังวล กลัวจะถูกจับไปลงโทษกลัวจะถูกประนามแต่คนที่มีศีลคนที่ไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายจะไม่มีความวิตกกังวลเดือดร้อนแต่อย่างใดก็จะมีความสุขเพราะความวิตกกังวลวุ่นวายใจนี้เป็นความทุกข์นี่คืออาภรเสื้อผ้าของใจปัจจัยที่สอง ปัจจัยที่สามของใจก็คือสมาธิสมาธินี้เปรียบเหมือนกับเป็นที่อยู่อาศัยของใจร่างกายต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อหลบแดดหลบฝนหลบจากภัยต่างๆชันใดใจก็ต้องการสมาธิเป็นที่หลบภัยคือความทุกข์ใจความวุ่นวายใจต่างๆคว า, ความเดือดร้อน เดือนเนื้อร้อนใจต่างๆนี้เราจะสามารถาหนีได้หลบได้ถ้าเรามีเรือนใจคือสมาธิเวลาใจเราไม่สบายแล้วเวลาเรานั่งสมาธิใจสงบความไม่สบายใจจะหายไปถึงแม้ว่าปัญหาหรือเรื่องที่ทาให้ใจของเรานั้นไม่สบายยังไม่หายไป แต่ใจของเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆถ้าใจเข้าไปในสมาธิเหมือนกับเวลาที่มีฝนตกหรือมีพายุอยู่ข้างนอกเราก็เข้ามาหลบภายในบ้านถึงแม้พายุหรือฝนยังไม่หยุดเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราอยู่ในที่ปลอดภยัยมีบ้านอยู่ นั้นใดสมาธิก็เป็นบ้านของใจไว้หลบภัยคือความทุกข์ใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกชนิดใดก็ตามถ้าเราเข้าสมาธิได้เราก็จะมีที่หลบภัยถึงแม้ว่าจะเป็นที่หลบภัยชั่วคราวก็ตามก็ดีกว่าไม่มีที่หลบภัยเลยนี่คือบ้านของพวกเราคือสมาธิ ส่วนปัญญานี้ก็เป็นยารักษาโรคใจก็คือความทุกข์ใจนี้เองถ้ามีความทุกข์ใจเราถ้ามีปัญญาเราไม่ต้องใช้สมาธิเข้าไปหลบหนีจากความทุกข์ใจเราสามารถใช้ปัญญาทำลายความทุกข์ใจได้เลยเพราะความทุกข์ใจของเรานั้นเกิดจากความหลง ความหลงที่ไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่รู้ว่าไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดไม่รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราถ้าเรามีปัญญาปัญญาจะสอนให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงมีเกิดและมีดับไม่ใช่ไม่เป็นสุขแต่เป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ถ้ามีปัญญาแล้วใจก็จะไม่หลงไปยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่ได้อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเราไม่เดือดร้อนถ้าเราไปยุ่งกับเขาแล้วเราจะเดือดร้อนขึ้นมาทันที สังเกต ด, ดูสิ่งต่างๆที่เราไปยุ่งเกี่ยวด้วยไปหลงยึดติดว่าเป็นของเราเราก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจกับสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งที่เราไม่ไปหลงยึดติดไม่ไประหยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์ไปกับเขาเช่นร่างกายของคนอื่นจะเป็นจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรเราไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกายของเขาแต่ร่างกายของเรานี้เรากลับเดือดร้อนเพราะเรามายึดมาติดกับร่างกายของเราว่าเป็นเราเป็นของเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันมีเกิดแล้วมันต้องตายเป็นธรรมดาเราไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์เราไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา แต่ถ้าเรานำเอาคำสอนหรือความรู้ของพระพุทธเจ้ามาใช้กับร่างกายของเราว่าร่างกายของเรานี้ก็เป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นถ้าเราไม่อยากจะทุกกับร่างกายของเราเราก็ต้องทำใจให้เหมือนกับเราทำใจกับร่างกายของคนอื่นเราปล่อยวางร่างกายของคนอื่นได้เราก็ต้องปล่อยวางร่างกายของเราได้ ถ้าปล่อยได้แล้วรับหรองได้ว่าใจของเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายของเราร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือปัญญายารักษาโรคใจโรคใจก็คือความทุกข์นี้เองนี่คือปัจจัยสี่ที่เป็นสาระเป็นที่พึ่งของใจคือทานศีลสมาธิและปัญญา ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามสร้างให้เกิดขึ้นให้มากให้เต็มที่เลยทานก็ทำจากน้อยไปหามากตอนนี้เราทำได้เท่าไหร่เราก็เพิ่มไปเรื่อยๆเช่นตอนนี้เราทำร้อยละสิบของสมบัติของเงินทองที่เรามีอยู่ต่อไปเราก็ทำร้อยละยี่สิบน้อยละสามสิบน้อยละสี่สิบทำไปเรื่อยๆ แล้วเมื่อเราเห็นผลว่าทำแล้วมีความอิ่มใจมีความสุขใจไม่หิวไม่อยากกับสิ่งต่างๆเราก็จะทําเพิ่มมากขึ้นไปจนในที่สุดเราก็จะทําร้อยเต็มร้อยเลยมีเท่าไหร่ก็ทําไปหมดเลยเพราะเรารู้แล้วว่าเงินทองนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งของเราคือบุญคือการให้ทานและ และศีลสมาธิและปัญญาถ้าเรายังต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองอยู่เราจะไม่สามารถ ส, สร้างศีลขึ้นมาสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาได้ถ้าเรายังไม่สามารถสร้างได้เราก็ยังจะไม่มีสวรรค์ที่พึ่งที่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะมีเพียงเสี่ยวเดียคือมี นึ่งในสี่เท่านั้นเองทุกของเราก็ยังจะมีอยู่ภายในใจดังนั้นถ้าเราอยากจะไม่ให้มีความทุกข์ภายในใจเราก็ต้องสร้างสารณะคือปัจจัยที่2ที่สามที่สี่ของใจต่อไปการจะสร้างได้เราก็ต้องทําทานให้เต็มที่คือบริจาคไปให้หมดเลยมีเท่าไหร่ก็บริจาค แล้วเราก็ออกบวชมารักษาศี่งรักษาศิ่งถ้าออกบวชแล้วจะรักษาศีลได้ง่ายถ้ายัางต้องทํามาหากินจะรู้สึกว่ารักษาได้ยากดังนั้นต้องต้องอ้อบอยจากให้หมดแล้วเราจะได้ออกบวชมารักษาศีลงได้เต็มที่พอรักษาศิ่งได้แล้วใจก็จะ มีความสงบเพิ่มมากขึ้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เราสามารถเจริญสมาธิได้ง่ายขึ้นคนที่ไม่ทำบุญให้ตาไม่รักษาศีลแล้วมานั่งสมาธินี้จะไม่สามารถทำได้เพราะใจจะมีความวุ่นวายไปกับเรื่องเองินเรื่องทองวุ่นวายกับเรื่องเรื่องการกระทำที่ไม่ดีต่างๆ ใจจะวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถมานั่งสมาธิได้แต่สําหรับคนที่บรร่อยจากให้ทานไปหมดแล้วและรักษาศีลได้บ ร, ริสุทธิ์แล้วการที่จะมานั่งสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ง่ายมากเมื่อนั่งไปแล้วใจก็จะสงบใจสงบก็จะพบกับความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะที่จะสุขเท่า ได้ความสุขนี้แล้วก็จะไม่อยากได้อะไรอีกแล้วในโลกนี้อยากจะให้ใจมีความสุขตลอดเวลาก็จะนั่งสมาธิให้มากแต่เวลาออกจากสมาธิก็จะต้องใช้ปัญญาเพราะขณะที่ออกจากสมาธิถ้าใจยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ใจก็ยังจะมา ความโลภความโกรธความหลงก็จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจต่อไปและไม่มีอะไรที่จะดับความโลภความโกรธความหลงได้นอกจากปัญญาเท่านั้นปัญญาที่สอนที่แก้ความหลงให้เห็นว่าไม่มีอะไรน่าโลภไม่มีอะไรน่าโกรธถ้าไม่โลภแล้วก็จะไม่โกรธเพราะความโลภทำให้เราโกรธ เวลาเราอยากได้อะไรแล้วมีคนมาขัดขวางเราก็จะโกรธคนที่ขัดขวางแต่ถ้าเราไม่โลภแล้วใครจะมาขัดขวางเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็เฉยเฉยเราจะทำสิ่ง น, นี้มีคนขวางไม่ให้เราทำก็ไม่เป็นไรทำไม่ได้ก็ไม่ทำก็ได้ทำอย่างอื่นแทนก็ได้เพราะเราไม่ได้ทำด้วยขวางโลกทำด้วยเหตุด้วยผล คือความเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็ทาถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ทำเพราะเราไม่ได้อยากแคททำแต่ทําเพราะความจำเป็นเช่นเราต้องรับประทานอาหารแต่ถ้าถึงเวลาต้องรับประทานอาหารแล้วมีคนมาขัดขวางไม่ให้รับประทานอาหารเราก็ไม่รับประทานก็ได้อย่างมากก็อดไปมื้อหนึ่งมื้อสองมื้อไม่ตาย หรือถ้าจะต้องอดตายเลยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะใจพาะร่างกายนี้ในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดีแต่ใจจะไม่ทุกข์จะไม่ยอมทุกข์กับเรื่องของร่างกายเลยเรื่องของการขาดอาหารใจก็จะไม่ทุกข์เรื่องของการขาดที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรคขาดเครื่องนุ่งหง่มถ้ามีปัญญาแล้วจะไม่ทุกข์กับเรื่องการขาดแคลนของร่างกาย ก็รู้ว่าอย่างมากก็แค่ตายและไม่มีใครที่จะไม่ตายต่อให้มีปัจจัยสี่ทางร่างกายมากมายกายกองขนาดไหน ก, ก็ตายก็ไม่มีก็จะไม่สามารถไปห้ามความตายได้อยู่ดีแต่ถ้าเรามีปัญญาเราสามารถห้ามความทุกข์ภายในใจได้ด้วยการยอมยอมอดยอม ยอมเจ็บไข้ด้วยได้ป่วยยอมตายเพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ไม่มีใครหนีได้แต่สิ่งที่เราหนีได้หลีเกเลี่ยงได้ก็คือความทุกข์ใจถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ไปหลงไปยึดไปติดกับร่างกายหรือกับสิ่งของต่างๆทั้งหลายในโลกนี้นี่คือหน้าที่ของปัญญา ที่จะคอยสอนใจไม่ให้หลงเพราะให้รู้ว่าไม่มีอะไรอยู่กับใจไปตลอดไม่มีอะไรเป็นของใจไปตลอดถ้ามีปัญญาแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ใจเหมือนกับถ้ามียารักษาโรค ก, ก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือปัจจัยสี่ของกายและของใจที่พวกเราควรที่จะมา จเจริญ ก, กันมาสร้างกันโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านจิตใจควรจะสร้างให้มากสร้างให้เต็มที่เพราะเมื่อสร้างให้เต็มที่แล้วใจของเราจะมีความสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะใจมีความอิ่มที่จะไม่ทำให้อยากไปเกิดอีกแล้วเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีความทุกข์เพราะทุกข์นั้นไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนั่นเองแต่ถ้าตาบใดยังมีการเกิดอยู่ตาบนั้นก็ยังจะต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายอยู่มีความทุกข์ไม่ว่าจะมาเกิดในฐานะใดก็ตามเกิดเป็นขอทานก็ต้องมีความทุกข์เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ก็ต้องมีความทุกข์เหมือนกันดังนั้นการกลับมาเกิดจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นอย่าทำบุญให้ทานเพื่อที่เราจะได้กลับมาเกิดดีกว่าเก่ามีรวยกว่าเก่าอย่างนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของการไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการทำบุญให้ทานการทำบุญให้ทานก็เพื่อไม่กลับมาเกิดทำบุญให้ทานเพื่อที่จะได้รักษาศีล ต, ต่อไป รักษาสิลงเพื่อที่จะได้นั่งสมาธิต่อไปนั่งสมาธิเพื่อจะได้เจริญปัญญาเมื่อเจริญปัญญาแล้วก็จะตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เมื่อไม่มีความอยากภายในใจแล้วก็จะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปใจของพระพุทธเจ้าละใจของปาสสาวกทั้งหลายเป็นอย่างนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ ท่านให้ทางและท่านก็รักษาสี่งแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาจนในที่สุดใจของท่านก็สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความอยากต่างๆปราศจากความโกรธปราศจากความหลงใจของท่านก็บริสุทธิ์ผุดผ่ดองไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปใจของท่านกับใจของเราก็เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกัน ต่างตรงที่ว่าใจของท่านบริสุทธิ์แล้วใจของพวกเรายังไม่สะอาดบรยสุทธิ์ยังมีความโลภความโกรธความหลง ค, ความอยากต่างๆอยู่เราจึงต้องมาปฏิบัติกันต้องมาทำบุญให้ทานมารักษาสิ่งมานั่งสมาธิและมาเจริญปัญญาเพื่อที่ใจของเราจะได้สะอาดบริสุทธิ์เหมือนของพระพระเจ้าและของพระสาวกทั้งหลาย เมื่อใจของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของการมาสร้างสวัณะที่พึ่งทางใจสร้างปัจจัยสี่ให้แก่ใจด้วยการทาบุญให้ทานรักษาศีง น, นั่งสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญา จึงขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ใบพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขและความสิ่นทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณประสีรัตนาไตรและบุญกุศล